การศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทควรศึกษาเรื่องวิญญาณก่อนในคำพีธรรมบทพระองค์ตรัสไว้ว่ามโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่มโนจากคาทานี้แสดงว่ามโนคือวิญญาณ รากฐานของสิ่งทั้งหลายการที่เราจะเรียนอะไรหรือทาอะไรก็ตามเมื่อเรียนจากรากฐานหรือวางรากฐานก่อนย่อมเข้าใจง่ายทำได้ง่ายข้อนี้สมกับในคำภีวิสุธทธิมรรคปัญญานิเทศกล่าวไว้ว่าถ้าเข้าใจเรื่องวิญญาณดีเรื่องอื่นนอกจากนี้ก็เป็นอันเข้าใจได้โดยง่าย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 จึงไม่จำเป็นต้องอธิบายเรื่องรูปก่อนดังที่พระพุทธโคสอาจารย์เขียนไว้ในวิสุทธิมัทข้าพเจ้าขอทำความเข้าใจกับนักศึกษาที่เคยเรียนเรื่องนี้มาบ้างแล้วจากหนังสือบางเล่มหรือจากอาจารย์บางคนถ้าพบอะไรแปลกไปจากที่เคยเรียนมาก็ขอให้อ่านต่อไปจะผิดถูกอย่างไรขอให้อ่านให้ตลอด เรื่องนี้ข้าพเจ้าเขียนขึ้นจากความชำนาญที่ค้นคว้า ม, มาเป็นเวลานานม่น้อยกว่า1ิบปีและจากความชำนาญที่เคยสอนมาแล้วหลายปีในที่นี้คือถ้าเจออะไรที่สงสัยหรือนึกค้านขึ้นมาก็ศึกษาให้จบทั้งเล่มก่อนแล้วพิจารณาตามเหตุผลว่าที่ท่านอธิบายนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรซึ่งมีหลายท่านนะครับที่ฟังครั้งแรกก็ค้าน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 ด้วยเหตุผลนี้ข้าพเจ้าจึงไม่อธิบายไปตามลำดับหัวข้อและอีกประการหนึ่งเมื่อศึกษาไปตามวิธีของในหนังสือเล่มนี้ไปทุ ก, ทกบทจนเข้าใจดีแล้วในที่สุดก็จะเกิดความเข้าใจซึง้งและจำได้โดยง่ายตามสูตรนั้นส่วนสำหรับข้อความบางตอนที่อ่านไม่เข้าใจก็ขอให้ผ่านเลยไปก่อนอันอ่านไปก็จะเข้าใจได้เอง